การมาฟังเทศฟังธรรมเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเรียกว่าเป็นมงคลเพราะเวลาฟังเทศฟังธรรมจะได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราได้เคยได้ยินมาแล้วพอเรามาฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจ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 นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการที่จะฟังเทศฟังธรรมให้ได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งสงบคือร่างกายไม่ควรจะเคลื่อนไหวไม่ควรไปทำอะไรต่างๆ ในขณะที่ฟังธรรมควรนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกันใจคือความคิดก็ควรที่จะไม่คิดอะไรให้ตั้งใจฟังใจนิ่งสงบนี่คือเหตุที่จะทำให้เวลาฟังธรรม จะได้ประโยชน์ได้ความสุขได้มงคลต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งสงบการฟังธรรมนี้ก็ฟังได้สองแบบฟังแบบทัพพีในหม้อแกงกับฟังแบบลิ้นกับแกง การฟังแบบทัพทีในหม้อแกงก็คือฟังไม่รู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนั่นเองกายวาจาใจไม่สงบกายทำอะไรอยู่แล้วก็ฟังทำไปด้วยเช่นทำขับข้าวล้างถ้วยล้างชามทำงานอะไรต่างๆแล้วก็เปิดธรรมะฟัง หรือนั่งคุยกันเวลาพระแสดงธรรมก็นั่งคุยกันหรือถ้าไม่นั่งคุยกันไม่ได้ทำอะไรแต่ใจก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่การฟังธรรมก็จะไม่ได้อนิสงไม่ได้ประโยชน์ จะไม่รู้ว่ากำลังฟังเรื่องอะไรเรียกว่าฟังแบบทัพผีในหม้อแกงทัพพีนี้อยู่ในหม้อแกงไหนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรเอาทัพทีใส่ในแกงจืดก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงจืดใส่ไปในแกงเผ็ดก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ดใจคนฟังทำที่กายวาจาใจไม่สงบ ก็เป็นเหมือนทับเีในหม้อแกงฟังไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าจะฟังแบบลิ้นกับแกงนี้ต้องฟังแบบกายวาจาใจที่สงบกายนั่งเฉยเฉยไม่ขยับขยื้อนวาจาไม่พูดไม่คุยกัน ใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจแล้วก็พิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้ความเข้า อ, อกเข้าใจหรือถ้าพิจารณาตามไม่ทันยังไม่เข้าใจทมที่ได้ยินได้ฟังอยู่ ก็เป็นการฟังได้ยินได้ฟังครั้งแรกถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ให้ฟังเสียงธรรมไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเสียงธรรมไปพิจารณาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้อยู่กับเสียงธรรมไปอย่าไปที่อื่นใจก็จะสงบได้ การฟังธรรมนี้อาจจะแบ่งเป็นสองลักษณะ <c oughs> ฟังให้เกิดความสงบ <c oughs> หรือฟังให้เกิดปัญญาถ้าฟังแล้วไม่ได้คิดตามเพียงแต่ฟังเสียงไปใจฟังเสียงไปใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้บางทีนั่งสมาธิเองนั่งไม่ได้ ให้พุโทโธพุธโทโธใจก็ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ะให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกบางคนก็ใช้การฟังธรรมไปะฟังธรรมไปฟังเสียงธรรมไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ไปไหนให้ใจอยู่กับเสียงธรรมไปก็จะได้ความสงบ ใจก็จะนิ่งสงบเย็ยนสบายหรือถ้าพิจารณาตามได้ก็เกิดความเข้าใจกำจัดความสงสัยต่างๆได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญานี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมมีอยู่สองลักษณะด้วยกันฟังให้เกิดสมาธิหรือฟังให้เกิดปัญญา ฟังแบบลิ้นกับแกงคือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบลิ้นนี่ถ้าสัมผัสกับแกงแม้เพียงหยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจืดหรือแกงเผ็ดหรือแกงหวานนี่แหละคือการฟังธรรมที่จะเป็นมงคลอย่างยิ่ง คือต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาสงบก็เรียกว่าศีลนี่เองขณะนี้ท่านที่กำลังฟังทำอยู่กำลังมีศีลอยู่แล้วนะเพราะกายไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณนะีไม่ได้ดื่มสุรายาเมาวาจาก็ไม่พูดปลดนะ นั่งเฉยๆเรียกว่ามีศีลถ้าไปดื่มสุรามาแล้วมาฟังธรรมจะฟังไม่รู้เรื่องจะเมาแล้วดีไม่ดีก็ไม่สงบวาจาก็พูดจาหยาบคายพูดจาส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นและรบกวนตนเอง ไม่สามารถลองรับเสียงธรรมเข้าไปในใจได้ถ้าไม่มีศีลเดื่มสุราแล้วมันฟังธรรมไม่ได้เรียกว่าการฟังธรรมต้องมีศีลกายวาจาสงบใจก็ต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมเรียกว่าสมาธิไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องนี้ ฟังอยู่กับการฟังธรรมอยู่กับเสียงธรรมพิจารณาตามธรรมไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามการฟังธรรมนี้สำคัญมากสำหรับจิตใจของพวกเราเพราะว่าธรรมนี้เป็นความรู้ที่มีคุณประโยชน์ กับจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากถ้าเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้สถานภาพของจิตใจของพวกเราว่าเป็นอะไรถ้าฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตใจของเราเป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตาราง คุกตารางของจิตใจนี้คืออะไรก็คือคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงด้านที่หนึ่งคือเกิดกำแพงด้านที่สองก็คือแก่กำแพงด้านที่สมก็คือเจ็บและกำแพงด้านที่สก็คือตายนี่แหละคือคุกของจิตใจของพวกเรา โลกเหล่านี้ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะอยู่ติดอยู่ในคุกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนถ้าไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดี หรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในตำราต่างๆก็ดีถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นนักโทษกันเราจะหลงไปกับสถานภาพปลอมที่เราเป็นกันอยู่ เราจะหลงคิดว่าเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอะไรต่างๆตามอาชีพของเราเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักบรรยาย นักจัดกิจกรรมต่างๆเราก็จะหลงไปกับสถานภาพปลอมของเราแล้วก็จะวุ่นวายไปกับสถานภาพปลอมของเราไปจนวันแก่วันเจ็บวันตายพอเราตายไปหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เราก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จิตใจของพวกเราทุกดวงติดอยู่ในวัฏจักรนี้วัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายเราไม่รู้ว่านี่คือคุกตารางของพวกเรา การอยู่ในคุกตารางกับการอยู่นอกคุกนี้ต่างกันไม่มีใครอยากจะติดคุกติดตารางกันเพราะไม่ใช่เป็นที่น่าอยู่อยู่นอกคุกนี้ดีกว่าอยู่ในคุกอยู่นอกคุกมีอิสระภาพจะทำอะไรจะไปไหนมาไหนทําได้อย่างสบายแต่เวลาติดอยู่ในคุกในตาราง จะไปไหนมาไหนจะทำอะไรตามความต้องการไม่ได้จะถูกบังคับให้อยู่ในในกรงอยู่ในห้องไม่ให้ทำอะไรนี่คือความทุกข์ที่เราได้จากการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วมันทุกข์พอมีร่างกายแล้วมันต้องมีการรับผิดชอบต้องมีการเลี้ยงดู ดูแลร่างกายต้องหาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานต้องหาที่อยู่่าศัยหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคต่างๆแล้วยังต้องไปประจนภัยกับภัยต่างๆภัยที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากมิจฉาชีพ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนี่คือความทุกข์ที่ได้มาที่มาที่มากับการได้มาเกิดภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและภัยที่เกิดจากความตายทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเจอภัยเหล่านี้ทั้งนั้น จึงทำให้ใจเราไม่ค่อยมีความสุขกันหวาดวิตกกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายของพวกเรานี่คือความทุกข์ของการมาเกิดแต่พวกเรามักจะมองข้ามกันไปเพราะเราคอยวิ่งหาความสุขกัน หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าเลยไม่มีเวลามานั่งคิดมานั่งไประงงถึงสถานภาพของตนว่าว่าสุขหรือทุกข์อย่างไรเพราะมัวแต่วุ่นวายกับการหาความสุขเลยไม่มีเวลามาดูว่า ตอนนี้เราสุขหรือทุกข์กันแนะ่ถ้าเราวิ่งหาความสุขนี่ก็สแสดงว่าเราไม่สุขแล้วเราทุกข์แล้วถ้าคนที่สุขนี่เขาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหาอะไรอยู่เฉยๆสบายกว่าแต่ถ้าต้องวิ่งเต้นต้องดิ้นรนต่อสู้แข่งขันแย่งกันหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันกลับไปคิดว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเพราะเราเคยชินอยู่กับความทุกข์แบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานเราไม่เคยเจอความสุขเลยความสุขที่เราเจอก็เป็นความสุข เดี๋ยวเดียวไปเที่ยวไปหาอะไรมาพอได้มาก็มีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันก็ให้เราดินไปหาความสุขกันใหม่วิ่งจากจุดนี้ไปจุดนั้นพอถึงจุดนั้นได้ความสุขพอความสุขตรงจุดนั้นหมดก็ดินไปหาความสุขอีกจุดหนึ่งเดินไปเรื่อย จิตใจไม่เคยอยู่ในความสงบเลยมีแต่เรื่องคิดเรื่องหาความสุขต่างๆเรื่องที่จะหนีจากความทุกข์ต่างๆอยู่ที่นี่เจอปัญหาก็หนีไปอีกที่หนึง่งไปที่นั่นเดี๋ยวก็เจอปัญหาเจอเรื่องอีกก็หนีไปอีกที่หนึง่งนี่คือชีวิตของจิตใจ ที่มาเกิดกันถ้ามาเกิดแล้วจะต้องมีปัญหาให้พบอยู่เรื่อยๆแล้วแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแก้ปัญหานี้แล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเพราะนี่คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของการพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบ เรื่องของการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันนี่แหละคือคุกตารางของจิตใจของพวกเราพวกเรานี้เป็นนักโทษติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่ในกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายทุกขของการพัดพรากจากกันทุกขของการ พบกับสิ่งที่ไม่ต้องการจะพบนะถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมนะเราจะไม่รู้ว่านี่คือปัญหาที่แท้จริงของพวกเราปัญหาที่พวกเรามีกันไม่ใช่เป็นปัญหาที่แท้จริงเป็นปัญหาที่ไม่แก้ก็ได้แก้ก็ได้แก้ก็ไม่หมดแก้ก็มีปัญหาใหม่ โผล่ขึ้นมาให้แก้อยู่เรื่อยๆแก้หรือไม่แก้มันก็ไม่หมดปัญหาเพราะว่าการจะแก้ปัญหาให้มันหมดต้องแก้ด้วยการไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าเราไม่มาเกิดแล้วก็จะไม่มีปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาต่างๆให้เหนื่อยยากประ่าๆ พอแก้ไปเดี๋ยวตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็เจอปัญหาเก่าปัญหาเดิมเคยแก้อย่างไรก็จะแก้อย่างนั้นไปเคยแก้ด้วยการฆ่าตัวตายกลับมาเกิดใหม่พอมาเจอปัญหาเก่าก็จะแก้บาปเก่าเคยแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายก็จะกลับมาแก้ปัญหาด้วยการแก้ตัวตาย เคยแก้ปัญหาด้วยการไปดื่มสุรายาเมาก็จะไปดื่มสุรายาเมาเคยแก้ปัญหาด้วยการไปเสพยาเสพติดก็จะไปเสพยาเสพติดเคยแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวเคยแก้ปัญหาด้วยการไปชอปปิ้งก็จะไปชอปปิ้งเคยแก้ปัญหาด้วยการไปร้องลำทำเพลงไปดูหนังฟังเพลงก็จะแก้ปัญหาแบบนั้น มันเป็นนิสัยมันติดเป็นนิสัยมาคนเราจึงมีวิธีแก้ปัญหาต่างๆกันแต่แก้อย่างไรมันก็แก้ไม่หมดแก้ไปจนแก้ไม่ไหวพอแก่ก็เลยแก้ไม่ไหวพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็แก้ไม่ไหวเวลานั้นก็ต้องทุกข์ทรมานใจ ถ้าทนความทุกข์ทรมานใจไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายกันคนสมัยนี้จะฆ่าตัวตายกันมากเวลาแก่เวลาเจ็บใข้ได้ป่วยเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะแก้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายกันถ้าได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เรามีกันอยู่ในขณะนีะ้คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่ไม่มาเกิดนี้เองหยุดการเกิดได้แล้วปัญหาต่างๆที่เราจะต้องมาแก้มันก็จะหายไปหมดมีคนแรกมีคนคนฉลาดคนเดียวที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะ ที่เกิดมาท่ามกลางกองสุขท่ามกลางสมบัติของราชกุมารมีความสุขต่างๆมากมายกายกองแต่ก็มีปัญหาตามมามากมายกายกองให้คิดให้แก้อยู่เรื่อยๆจนจนรู้ว่าแก้อย่างไรก็แก้ไม่หมดก็เลยลองไปแก้อีกแบบหนึง่ง แก้ด้วยการไม่มาเกิดก็ต้องออกบวชเพราวิธีที่จะแก้การไม่มาเกิดนี่ต้องไปแก้ที่ใจต้องไปอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่จะมาคอยรบกวนใจต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่แบบนักบวช แล้วก็ไปแก้ต้นเหตุของตัวที่ทำให้มาเกิดกันต้นเหตุที่ทำให้ใจของพวกเรามาเกิดกันก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี่เองความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการมาตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากสวยอยากหลอ่อ อยากเป็นใหญ่เป็นโตเรียกว่าภาวะตัณหาอยากได้ราบยศสัลลเสินสุขเนี่เรียกว่าภาวะตัณห า, า, ล า, หาและความอยากไม่สูญเสียราบยศจัลลเสินสุขไปไม่อยากจะสูญเสียความรวยไม่อยากจะสูญเสียความหล่อความสาวความสวยความงามไม่อยากจะสูญเสีย ความเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากจะสูญเสียร่างกายเรียกว่าวิภาวะตัญหาความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่ใจทําให้ใจต้องวุ่นวายกวลก้วายกระสับกระสายกินไม่ได้นอยไม่รับนะเวลาอยากได้อะไรเนี่ใจมันจะกระสัากระสายระสับรสายกวลกวาย จะหายก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากได้แต่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่กาจัดมันมันก็จะอยากต่อไปพอมันอยากมันก็สร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้น แล้วก็ต้องบังคับให้ไปหาสิ่งที่อยากได้ทําในสิ่งที่อยากทําก็ต้องวุ่นวายกับการไปทําไปหาสิ่งที่อยากได้อยากทำํำไม่เคยมีความสุขที่แบบไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรเลยต้องดิ้นรนหาสิ่งที่อยากได้แล้วพอได้มาก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไป เดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยากไปจนวันแกวันเจ็บวันตายความอยากก็ไม่มีวันหมดพอแก่พอเจ็บพอจะตายนี้ก็ลำบากจะหาความสุขอย่างที่คอยหาในตอนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ใกล้ตายนี้ก็ทำไม่ได้ก็เลยมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่รู้จากวิธีแก้ก็แก้ในทางที่ผิดฆ่าตัวตายกันถ้าได้มาค้นคว้าได้มาศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรามาแก้ที่ความอยากกันให้เรามากำจัดความอยากทั้งสามนี้กันกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตันหากันและสิ่งที่จะมากำจัดกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้ก็คือทานศีลภาวนากันเราต้องทำทานเพื่อกำจัดการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากพอมีเงินทองนี่เหลือกินเหลือใช้คิดอยากจะเที่ยวขึ้นมาทันทีคิดอยากจะซื้อของไม่จําเป็นขึ้นมาทันที ตอนต้นหาเงินหาทองเพื่อซื้อของจําเป็นกันเพราะร่างกายนี้ขาดไม่ได้พอขาดปัจจัยสี่นี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาทางร่างกายได้ในเบื้องต้นนี้เราจะดิ้นหาเงินหาทองหาปัจจัยสีให้กับร่างกายพอเราหาได้ครบพอแล้วแล้วถ้า มีเหลือหาได้มากกว่านั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเอาไปใช้กับความอยากแบบไหนดีอยากซื้อของพุ่มเฟยก็ซื้อกันอยากจะซื้อของหรูหราก็ซื้อกันอยากจะซื้อเครื่องประดับต่างๆซื้อแหวนซื้อนาฬิกาซื้อต้มหูซื้อสร้อยคอซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้า ความอยากเหล่านี้มันก็จะดันให้เราใช้เงินใช้ทองที่เราหามาอย่างยากเย็นพอใช้เงินใช้ทองแบบนี้นล้วมันก็จะติดเวลาไม่มีเงินทองไม่พอใช้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็จะต้องไปเดินรนหาเงินทองมาเพื่อที่จะได้ เอามาใช้ตามความอยากต่อไปถ้าเราไม่ใช้การเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับความอยากต่างๆนี้มากับการทำบุญทำทานมันก็จะทำให้เราติดอยู่กับการใช้เงินใช้เงินใช้ทองและเมื่อเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปเนลน่นนนนหาเงินหาทอง ชีวิตเราก็จะวุ่นวายอยู่กับการหาเงินใช้เงินกันก็จะติดอยู่ในวงจรนี้ไปเรื่อยๆจะไม่สามารถที่จะไปกำจัดความอยากที่พระเจ้าทรงสอนให้กำจัดโดยด้วยการกระทํสามระดับด้วยกันคือการทําทานการรักษาศีลและการภาวนา เพราะชีวิตมัวแต่วุ่นวายอยู่กับการหาเงินใช้เงินถ้าต้องการจะตัดวงจรนี้ก็คือถ้าเราหาเงินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วมีเหลืออยู่อยากจะเอาไปใช้ตามความอยากก็ต้องเอาไปใช้กับการทำบุญทำทานแทนเพื่อที่จะได้ตัดวงจรของการใช้เงินตามความอยากนั่นเอง พอเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อกับระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อแหวนเพชรซื้ออะไรซื้อรถยนต์ซื้ออะไ ร, ออะไรต่างๆที่เรามีพออยู่แล้วเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานจะดีกว่าจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อไปทําอะไรตามความอยาก ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปุ๊บเดี๋ยวก็หมดไปแล้วของที่ได้มาก็ไม่มีความหมายแล้วต้องไปซื้อของใหม่มาเพิ่มถึงจะได้ความสุขแต่ของที่ได้มาแล้วดูแล้วมันก็รู้สึกเฉยเฉยจืดชืดไม่มีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆเราต้องจึงต้องไปหาซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเอาเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้มาทำบุญทำทานจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขแบบอิ่มแบบพอขึ้นมาเป็นความสุขที่อยู่นานติดอยู่ในใจทำให้ไม่หิวไม่ไม่อยากที่จะไปซื้อข้าวซื้อของไม่อยากที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทาบุญแล้วมีความอิ่นใจอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขแล้ว แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวแล้วอยู่ไม่เป็นสุขเที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวต่อเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เที่ยวต่อถ้ามีเงินนัรับรองได้ว่ามันทนไม่ได้หรอกที่จะอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวมันก็อยากจะออกเที่ยวต่อถ้าเคยไปช้อปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของเดี๋ยวก็อยากจะออกไปช้อปใหม่เ น, นี่คือ เราต้องตัดวงจรของการใช้เงินหาเงินเพื่อตอบสนองการมาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นการตัดความอยากต่างๆในระดับแรกตัดด้วยการเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปทำบุญทาทานให้หมด <c oughs> ถ้าทำแบบพระพุทธเจ้าได้นะดีที่สุดสละราชสมบัติเลย ไม่หาความสุขจากข้าวของเงินทองไปบวชไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสงบนี้จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้จะกำจัดจะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้ต้องไปหยุดความอยากกันจะหยุดความอยากได้ต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่น จะยังมีภารกิจกับการทำมาหากินหาเงินหาทองกับการที่จะไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวจากการที่ได้เงินทองมามันก็จะทำให้ติดไม่มีเวลาว่างที่จะไปหยุดความอยากได้มันก็จะไหลไปตามกระแสของความอยาก อยากปั๊บก็ใช้เงินปับ๊บพอเงินหมดก็ไปหาเงินมาใช้ใหม่พอได้เงินมาใหม่ความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ใช้ใหม่มันก็จะไม่มีวันที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ถ้ายังมีความอยากอยู่ตายไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ น, นี่คือ ต้องใช้การทำบุญทำทานถ้าเรามีเงินเหลือจากการเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคตเหลือจากเงินที่เราเอาใช้กับความจำเป็นในปัจจุบันเช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอมีพอเพียงแล้วยังมีเงินเหลือเงินเหลือนี้อย่าเอาไปเที่ยว จะเอาเก็บไว้ก็ได้ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าอนาคตไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะหางานห า, ห า, หาเงินได้แบบนี้ทุกวันหรือเปล่าเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงร่างกายของเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยมีวันที่จะไม่สามารถที่จะไปหาเงินห า, หาทองแบบที่เรากําลังหาอยู่ได้ในขณะนี้ ก็เก็บเอาไว้บ้างซื้อประกันภัยซื้อประกันอะไรไว้บ้างเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เกิดการอัตคัดขัดสนขึ้นมาแต่ถ้ามียังมีเหลืออยู่ก็อย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อถ้ามันห้ามใจไม่ได้ก็เอาไปทำบุญเสีย พอทำบุญทำทานก็จะไม่มีเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อไม่มีเงินไปเที่ยวที่ตามที่เราอยากจะไปกันอันนี้มันเป็นวิธีดัดสันดานดัดความอยากกันพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงแล้วความสุขที่เราได้จากการทำบุญมันก็จะทำให้เราไม่หิวโหวยกับการไปทำตามความอยากต่างๆ ความอยากมันหมดเพราะเกิดจากการทำบุญของเราทำบุญแล้วทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจความอยากความหิวไปเที่ยวหิวกับการไปเที่ยวหิวกับการซื้อข้าวซื้อของก็จะน้อยลงไปเบาลงไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมด เราก็ไม่ต้องไปดิ้นลนหาเงินหาทองมาใช้แบบที่เราใช้กันอยู่เราจะได้มีเวลาไปถือศีลไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าการทำบุญทาทานนี้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปเพียงแต่ตัดกำลังลงลดปริมาณลงให้มันน้อยและเปิดช่องให้เรามีเวลา ที่จะได้ไปทุ่มเทกับการกําจัดความอยากให้มันหมดสิ้นไปเพราะการกําจัดความอยากให้มันหมดสิ้นไปนี่มันเป็นเหมือนอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนการไปทํางานอย่างหนึ่งถ้าเราทํางานหาเงินหาทองเพื่อมาเชะเพื่อมาเที่ยวมากินมาเดิมเราจะไม่มีเวลามาทํางานภาวนากัน งานภาวนาคืองานกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจงานภาวนานี้เป็นงานเต็มเต็มรูปแบบเหมือนกับงานที่เราไปทำตามบริษัทตามสถานที่ราชการต่างๆเป็นเป็นงานหลักเป็นงานเต็มรูปแบบมีเวลเวลา เช้าไปแปโมงเริ่มทำงานเย็นสี่โมงห้าโมงเลิกทำงานงานภาวนา น, นี้มีมากกว่านั้นสี่อีกงานทางโลกยังมีแค่วันละแค่ปดชั่วโมงแต่งานภาวนา น, นี้มีตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าอยากจะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องคอยกำจัดมันตั้งแต่ตื่นจนหลับ เพราะว่าความอยากมันโผล่ขึ้นมาทุกเวลาลืมตาขึ้นมามันก็อยากนะอยากจะไปไหนดีอยากจะดูอยากจะฟังอะไรดีอย่างนี้ตื่นขึ้นมาดูอะไรก่อนดูมือถือก่อนใช่ไหมอยากจะรู้แล้วว่าใครส่งข่าวมาหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นที่ไหนความอยากพอลืมตาขึ้นมามันก็เริ่มทํางานนะเ พวกที่ไปปฏิบัตินี้จะต้องไม่เอามือถือไปด้วยถ้าอยากจะตัดความอยากไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของโลกโลกมันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองติดตามไปมันก็มีข่าวเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนนั้นเกิดคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บคนนั้นตาย มันก็มีเท่านั้นแหละตายก็หมดไปตายก็ติดตามเรื่องคนคนต่อไปคนนี้ตายไปก็ติดตามเรื่องของคนนี้ต่อไปคนนี้ตายก็ติดตามเรื่องคนนั้นต่อไปมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกข่าวสารต่างๆที่เราติดตามกันมันก็ข่าวสารเรื่องของคนเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ต้องไปติดตามก็รู้มีคนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกเวลานาทีทุกแห่งทุกคน อยากไปอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่ควรจะรู้ดีกว่าให้ไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องที่จะมากำจัดกิเลสทันหาดีกว่าเรื่องที่เราควรจะอยากรู้อยากเห็นที่จะมากำจัดความอยากของเราก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าอยากจะรู้เรื่องอันนี้เรื่องอะไรให้ให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดีกว่าให้เห็นว่า ให้เห็นสิ่งต่าง ๆ, ๆที่เราอยากรู้ ן, อยากเห็นอยากเกี่ยวข้องด้วยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันเนถ้าสิ่งไหนที่เราอยากได้แล้วมันจะมาให้ความทุกข์กับเราเราจะเอามาทำไมทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรเราจะคิดว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราถ้ามันให้ความทุกข์กับเราเราไม่เอาหรอก แต่แล้วทำไมเราต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะสิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปนั่นเองเวลาได้มาใหม่ๆมันสุกซื้อรถใหม่มันสุกเนี่ยซื้อของใหม่มันสุกพอใช้ไปสักแป๊บเดี๋ยวมันเสียแล้ะพอมันเสียแล้วนี้สุกก็หายไปแล้วสิทุกข์ก็เข้ามาแล้วปวดหัวไม่ต้องคอยรถเข้าอุ่ยอยู่เลยขับรถไปปป๊บเดียวยางแตกแล้วปวดหัวละ ถ้าไม่มีรถก็ไม่ปวดหัวนั่งรถเมล์รถแท็กซี่สบายกว่ามันรถเสียเราก็เปลี่ยนรถได้แต่ถ้าเป็นรถของเราที่นี้เราก็ต้องมาแบกมันแล้วสิต้องมาลากมันหารถมาลากพาเข้าอู่เข้าไปซ่อมนี่คือต้องคิดถึงเวลาที่มันเสียกันเรามักจะไม่คิดถึงสิ่งที่เราได้มาว่ามันจะต้องเสียเราคิดว่ามันจะดีไปเรื่อย แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะดีไปเรื่อยๆทุกอย่างมันจะต้องมีวันเสียมีวันเสื่อมถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มามันจะต้องมีวันเสียวันเสื่อมวันนั้นก็จะมันจะเป็นวันที่เราต้องทุกข์กันแล้วเราไปเอามันเอาไปไปเอามันมาทาไมตอนนี้เราไม่มีมันเราก็อยู่ได้สมัยก่อนไม่มีรถทำไมเขาอยู่กันได้ สมัยก่อนสมัยไม่มีรถยนต์เขาไปไหนมาไหนยงไงเขาก็เดินกันไปถ้ามีเรือก็พายกันไปสมัยก่อนเห็นไหมเมืองไทยนี้มีคองเยอะแยะไปหมดเลยไปไหนมาไหนก็ใช้เรือพายกันไปก็ไปไหนมาไหนกันได้ก็อยู่กันได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ต้องมีน้ำมันไม่ต้องมีมนพิษเห็นไหมไม่ต้องมีควันพิษอย่างที่เรามีกันอยู่นี้ ความพินมาจากไหนมันก็มาจากรถยนต์ที่เราขับกันเนี่ยยิ่งสร้างความสุขก็ยิ่งเจอความทุกข์มากขึ้นกองขยะเดี๋ยวนี้เต็มไปเท่าภูเขาแล้วนะสมัยก่อนใช้ใบตองของที่มันผูกง่ายเปลือยง่ายใช้ใบตองเสร็จทิ้งไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินนะไม่เป็นภาวะไม่เป็นมวลภาวะต่อ เดีย๋ยวนี้เริมีการนณรงค์แล้วให้เลิกใช้ถุงพลาสติกกันแลญาติโยมบางคนเดี๋ยวนี้ไม่ยอมใส่ของในถุงพลาสติกละหยิบของใส่ทีละชิ้นใส่บาตรเมื่อก่อนใส่ถุงไปทั้งถุงเดีย๋ยวนี้ขอขอเลิกใช้ถุงแะ้วขอเอาของใส่ไปในบาตรเมื่อก่อนนี้ใส่ไปในถุงแล้วก็ใส่ไปในบาตรเดีย๋ยวนี้เอาของเอาเอาถุงออกแล้วก็เอาของใส่ สายมอ่อสายอะไรหิ้วไว้พอพระมาก็หยิบของสายเข้าไปใส่ในบาตรเลยตัดตัดเรื่องการใช้ถุงพลาสติกลงไปเพราะถุงพลาสติกมันจะเป็นปัญหาปลาเปอร์นี่มันไม่รู้กินเข้าไปก็าตายกัน <c oughs> นี่แหละคือถ้าเรา หาค ว, ความสุขตามความอยากในโลกนี้แทนที่จะได้ความสุขมามันจะได้ความทุกข์มามากมายกว่าความสุขที่เราได้เอาลองเปรียบเทียบสมัยโบราณสมัยที่ไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรสิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขเหมือนเราเขาก็มีความทุกข์เหมือนเราเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนเราแต่เขาไม่มีมูลภาวะเหมือนพวกเรามีกัน ไม่มีควันพิษให้เราดูดกันใช่ไหมธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติไม่มีขยะให้เราต้องมากังวลกันทุกวันนี้เราจะคิดแล้วต่อไปเราจะไปเอาขยะไปทิ้งที่ไหนกันดีคนก็เยอะขึ้นคนก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยกับกองขยะมันก็จะมาแย่งกันเดี๋ยวนี้เรายังมีที่ฝังกบต่อไปมันจะไม่มีที่ฝังกบ อันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังว่ายิ่งวิ่งหาความสุขยิ่งเจอความทุกข์มากขึ้นถ้าไม่วิ่งหาความสุขก็จะไม่เจอความทุกข์กัน พระพุทธเจ้าสงคนพบวิธีที่หาความสุขแบบไม่ต้องวิ่งหาเหมือนให้มันมาหาเราให้เราอยู่เฉยๆนะั่นน่ะเดี๋ยวมันก็มาหาเราความสุขแบบนี้ดีเป็นความสุขที่จะไม่ต้องสร้างมนภาวะไม่ต้องสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนี่ให้เรามานั่งเฉยๆแล้วก็หยุดคิดกันหยุดความอยากกันเท่านั้นนะ พอเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความสุขมันก็วิ่งมาหาเราทันทีเลยแทนที่เราจะต้องวิ่งไปหามันมันวิ่งมาหาเราสบายกว่านั่งเฉยๆแล้วมันมาหาเราไม่ดีกว่าเลยดีกว่าวิ่งตามเขาวิ่งตามแล้วบางทีก็วิ่งไม่ทันพอไม่ทันก็เสียใจพออยากจะได้อะไรพอไม่ได้คนอื่นเอาไปก่อนนี่ก็เสียใจแล้วนี่ ความสุขแบบนี้ไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปแข่งกันไม่ต้องไปแย่งกันมันมาหาเราเองขอให้เรานั่งเฉยๆให้ได้เท่านั้นเองนั่งเฉยๆไม่คิดไม่อยากเท่านั้นเองความอยากนี่มันเป็นตัวทำให้เราดิ้นวิ่งกันวิ่งตะคุบเงากันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเช็นหมวิ่งตามเงาพยายามวิ่งไปตามเงาเราดูยิหัวเงามันทอดไปข้างหน้าพอเราวิ่งไปข้างหน้ามันก็หนีเราไป อีกข้างหน้าหนึ่งวิ่งมันจะหนีเราไปเรื่อยๆเน้นเราอย่าไปวิ่งตามมันดีกว่าให้มันวิ่งมาหาเราดีกว่าวิธีที่จะให้ความสุขวิ่งมาหาเราก็คือเราต้องหยุดวิ่งกันอย่างพระพุทธเจ้าบอกองค์ุลิมาเนี่ยองค์ุลิมาพยายามวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีปฏิหารมีอิทธิฤทธิสามารถทำให้องคุลิมาวิ่งไล่ไม่ทัน จนเหนื่อยเลยต้องร้องตะโกนไปบอกท่านหยุดเถิดขา้าพเจ้าวิ่งตามท่านไม่ไหวแล้วข้าเจ้าก็ย้อนกลับว่าเราหยุดต้องนานแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละความโลภคุณไม่หยุดความโลภหยุดความอยากคุณจะไม่มีวันเจอความสุขถ้าคุณหยุดความโลภหยุดความอยากเมื่อไหร่แล้วความสุขมันจะมาหาคุณทันทีนี่แหละคือ เรื่องมหัศจรรย์ใจที่เราไม่รู้กันว่าความสุขแท้จริงเนี่ยมันมันดีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่เราหยุดหามันเท่านั้นเองอย่าไปหามันถ้าเราไม่ไปหามันแล้วเดี๋ยวมันมาหาเราเองเราหยุดความโลภหยุดความอยากหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วความสุขที่แท้จริงมันจะมาหาเราเองมันอยู่ในตัวเรา อยู่ข้างหลังความโลภความอยากนี้เองพอความโลภความอยากหายไปความสุขอันนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในใจทันทีไม่เชื่อลองทําดูเลยเพราะของที่พระเจ้าสอนนี้พิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นของโกหกไม่ใช่เป็นของที่มีแต่พูดมีแต่บอกแต่พิสูจน์ไม่ได้ของคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พิสูจน์ได้ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พวกเราพิสูจน์ได้สร้างกันขึ้นมาได้ไม่ยากเย็นเลยนั่งเฉยๆไม่ให้ไปคิดอะไรเท่านั้นเองนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญอย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเท่านั้นเองพอความคิดหยุดความอยากหยุดปับ๊บ ความสุขก็โผล่ขึ้นมาทันทีใครลองได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วจะติดใจเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจเป็นความสุขที่จะพิกหน้ามือทําให้เราพริกหน้ามือเป็นหลังมือไปจากคนที่เคยร่าเริงออกไปวิ่งหาหนู่นหานี่ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่ไปเฮฮาปาร์ตี้ที่นั่นทน่นี่กับใครเป็นคนสงบเงียบ ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปสังสรรค์กับคนนั้นคนนี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวนะพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดกลับมาบ้านทีไรก็ต้องมาเจอความเหงาความว่าเหว่ความเศร้ามีคำพูดที่เขาบอกเนยะเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนี่เหมือนไก่บิน เวลากลับเข้าบ้านเนี่มันหากินนเพราะต้องกลับเข้ามาเจอความจำเจความว้าเหวความเวลาออกไปข้างนอกโอ้ตื่นเต้นได้สัมผัสกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวสักพักก็เหนื่อยก็ต้องกลับบ้านเพราะงานเลี้ยงมันย่อมมีวันสิ้นสุดลง มันไม่มีเลี้ยงไปได้แบบ24ชั่วโมงเจ็ดวันต่ออาทิตย์มันต้องมีวันพักมันหยุดเวลาต้องมาพักมันหยุดมันก็เศร้าขึ้นมาแล้วพอตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากไปอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นแหละคือความสุขที่พวกเราหากันไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มว่าพอสักทีต้องดิน้นหนนต้องหากันอยู่เรื่อยๆพอไปเจอ อุปสรรคขึ้นมาก็เศร้าลำบากเงินหมดแล้วไม่มีเงินเที่ยวนี่ก็ลาบากแล้ะหรือร่างกายไม่สบายเกิดมีอาการพิกลพิการเป็นอมมาพิกอมมาพาดขึ้นมาทีนี้ไม่มีทางที่จะหาความสุขแบบที่เคยหาได้นะทีนี้ใจจะซึมเศร้าจะเศร้าหมองใจอยากจะฆ่าตัวตาย พออยู่ไปก็ต้องเป็นภาระของคนอื่นไม่อยากจะรบกวนคนอื่นให้เขาต้องอุ้มให้เขาต้องคอยเลี้ยงต้องคอยอาบน้ำให้เราอา <c oughs> นี่แหละคือสภาพของการหาความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายมันจะต้องเจอสภาพอย่างนี้เพราะร่างกายมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็มีโลกนั้นโลกนี้เข้ามามาวุ้นมาสร้างความวุ่นวายใจให้แล้วถ้าไปเจอโลกที่ทำให้เราพิกลพิการมันก็ทรมานลำบาก <c oughs> แต่ถ้าเรามาฝึกนั่งเฉยๆทำใจให้สงบเราจะมีความสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ เงินทองหมดก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเป็นอมพึกมพามภาพก็ไม่เดือดร้อนอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปตายก็ไม่เดือดร้อนใจที่มีความสุขจากความสงบแล้วนี้ไม่มีอะไรมาลบล้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้นอกจากใจเองเท่านั้นที่ขี้เกียจหยุดความคิดหยุดความอยาก ถ้าขี้เกียจหยุดความคิดหยุดความอยากเมื่อไหร่ใจจะทรมานขึ้นมาทันทีถ้ามันคอยหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วความทรมานใจจะไม่มีใจจะเบาจะเย็นจะสบายจะอิ่มจะพอไอตัวที่ทำให้เราทรมานใจก็คือความคิดความอยากนั่นเองพอคิดอยากจะไปเที่ยวนี้อยู่ไม่ติดแล้วก้นอยู่ไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดต้องขยับแล้ว ้าอยากจะดูอะไรก็ต้องไปหามาดูอยากจะดื่มอะไรก็ต้องไปหามาดื่มคนที่ติดเหล้าติดกาแฟาติดบุหรีเนี่ยลาบากเพราะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วต้องดิ้นแล้นี่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ละติดบุหรีก็ต้องหาบุหรีมาสูบติดสุราก็ต้องหาสุรามาดื่มติดกาแฟาก็ต้องหากาแฟามาดื่มคนที่ไม่ติดสบายอยู่เฉย ไม่มีความอยากสูบบุหรี่ไม่มีความอยากดื่มกาแฟไม่มีความอยากดื่มสุราอยู่เฉยๆมีความสุขกว่าการไปหาอะไรมาดื่มหาอะไรมาสูเพอมันพอมันดื่มมันสูบแล้วมันติดนั่นเองมันความอยากมันจะทวีคูณเพิ่มเห็นไหมตอนต้นสูบบุหรี่ทีละมวลสองมวลวันละสองสามมวลต่อไปก็เป็นวันละสิบมวลต่อไปก็ยี่สิบมวล บางคนสูดเวลาหกสิบมวนนะวันละสามหอสามสองเพราะมันสูบแล้วมันติดมันมันพอไม่ได้สูบแล้วรู้สึกมันอึดอัดขึ้นมาเ น, นี่ยระวังนะพยายามอย่าไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้มันจะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีโทษตามมาพยายามหักห้ามจิตใจดีกว่า ถ้ามีความไม่สบายใจอย่าไปแก้ด้วยการไปดื่มสุราด้วยการไปสูบบุหรี่ด้วยการไปกินไปดื่มอะไรเพราะมันจะติดมันจะต้องแก้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายกินมากเกินไปดื่มมากเกินไปมันก็จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเองเงินทองก็ต้องเสีย ไปวิธีแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าแก้เนี่ยวิเศษที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่เสียสุขภาพเลยเพียงแต่ให้นั่งเฉยๆแล้วก็หยุดความคิดหยุดความอยากเท่านั้นเองทํำไมทําไม่ได้กันง่ายจะตายไหมนั่งดูลมหายใจมันยากตรงไหนวะดูมันหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองอนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้มันไปอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ รับรองได้ว่าเดี๋ยวมันก็หยุดความอยากต่างๆมันก็จะหยุดความคิดต่างๆมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วมันโล่งอกเลยมันเบา อ, อกเบาใจเหมือนยกก้อนหินที่ทับอยู่ในอกนี้ออกจากอกไปเนี่ยความอยากมันตัวกดดันให้เรารู้สึกหนักอกหนั ก, น ก, น ก, นกใจอยากจะทำนูน่นทำนี่แล้วไม่ได้ทำอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้นี่โอ้ยมันหนักอกหนั ก, น ก, นกใจเลย พอเราหยุดมันได้นะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้อยากทำเดี๋ยวมันลืมปั๊บมันเบาขึ้นมาทันทีเลยมันโล่งขึ้นมามันสุขขึ้นมาทันทีมันจะโอ้ยมันจะขอบใจพระพุทธเจ้าว่าโอ้นี่เราง้อมาต้องนานเนี่ยหาความสุขมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เพิ่งมารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เองไอ้ความสุขที่กอยหามันไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะ วิ่งหามันได้มาเท่าไหร่มันก็หายไปหมดปล่อยให้เราอยู่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เลยปล่อยให้เราเหงาปล่อยให้เราว้าวเวอยู่เรื่อยแต่พอเจอให้ความสุขแบบนี้ไม่เหงาไม่ว้าวเวอยู่คนเดียวกับชอบเอไม่ลำคาญไม่วุ่นวายพอเจอความสงบแล้วที่นี้ไม่อยากจะอยู่กับใครเลยอยู่แล้วมันลำคาญเรื่องมากเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับคนนี้มีแต่เรื่องใช่ไหอ มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ปัญหาต่างๆแต่ถ้ายังอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ยังยังถูถยยังดีกว่าอยู่คนเดียวถึงแม้จะมีเรื่องก็ยังยังมีความสุขบ้างมันอย่างน้อยมันก็ไม่เหงาแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันมีรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวขึ้นมาถ้าใจไม่สงบมันเป็นอย่างนั้นที่มันเหงามันว่าวเวเพราะความอยากอยากมีเพื่อนอยากมีอะไรทา พอไม่มีอะไรทำไม่มีเพื่อนมันก็เลยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากอันนี้ได้ความรู้สึกเหงาว้าเหว่จะหายไปจะอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรนี่คือนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้จักเรื่องของจิตใจของเรา รู้จักวิธีแก้ปัญหาของจิตใจของเราวิธีหาความสุขให้แก่จิตใจของเรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจของพวกเราให้หมดไปถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาความอยากก็จะหายไปตลอดเวลาเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีการกลับมาเกิดเด็กต่อไป เมืม่อไม่มาเกิดก็จะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเจอกับปัญหาต่างๆที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้มันมีพรอมการที่เรามาเกิดนี่พอเราหยุดการเกิดได้หยุดความอยากได้ปัญหาต่างๆจะหายไปหมดแม้ขนาที่ยังไม่ตายก็ไม่มีปัญหา ความแก่ก็จะไม่มีปัญหาความเจ็บความตายก็จะไม่มีปัญหาเพราะความอยากที่ทำให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมันไม่มีนั่นเองความอยากที่ทำให้เราทุกข์กับความแก่ความจาความตายคืออะไรก็คือความอยากไม่แก่เนี่ยอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเรากำจัดความอยากทุกชนิดหมดไปแล้วทีนี้จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับคนที่ ที่น่าเบื่อนายก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับคนไม่ดีก็ไม่เดือดร้อนถ้าจำเป็นจะต้องอยู่ก็อยู่ได้ใจไม่ไปวุ่นวายไปกับใครใจเป็นเหมือนใบบัวหยวดน้ำกับใบบัวถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่จะไม่จะไม่ดูดซึมเข้าหากันแต่ใจที่มีความอยากนี่มันจะดูดเลยเป็นเหมือนน้ากับหยดน้ำกับกระดาษนี่ พระโยชน์ํ้ำลงกระดาษซับกระดาษซึมนี่มันดูดเข้าไปเป็นเนื้อเดียวเลยใจที่มีความอยากพอไปอยู่กับใครที่ไหนจะเกิดความอยากขึ้นมาจะดูดเข้าหากันทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะให้มันมามันก็มันก็ดูดกันไม่อยากจะอยู่กับคนไม่อยากไม่อยากจะอยู่ด้วยก็ต้องอยู่มันก็ทุกข์กับมันทุกข์เพราะความอยากอยากให้เขาไปพอเขาไม่ไปเราก็เลยทุกข์ แต่ถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆหมดแล้วี่นี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นมากำจัดความอยากกันดีกว่ามาหัดหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธง่ายที่สุดก็พุโทโธลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปทำงานทำการ ก่อนที่จะทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดจะเตรียมตัวไปทํางานกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ํากับพุโทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธแล้วความอยากต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้พอไปที่ทํางานก็หยุดพุดโทโธก็ทํางานไปคิดกับการทําไปพอเสร็จงานก็อย่าให้มันไปคิดถึงความอยากเพราะมันอยากก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วเราก็จะสบาย ทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปเที่ยวไปอะไรเพราะมันไม่มีความอยากไปไหนอยากจะกลับบ้านพักผ่อนกินข้าวหลับนอนดีกว่านั่งสมาบักลับมาบ้านนั่งสมาธิมีความสุขกว่าไปกินเหล้าในบาร์ในพับดีกว่าไปดูหนังฟังเพลง น, น, นี่ลองทำดูลองควบคุมความคิดความอยากดูแล้วใจจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลาดับ เราจะอยากจะออกจากงานอยากจะไปบวชอยากจะไปปฏิบัติให้มันอย่างเต็มที่ก็นี่แหละคือประโยชน์ที่เราได้รับจากการมาฟังธรรมได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินแล้วก็จะได้ความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ ทำให้เราฉลาดให้รู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์กันน่ทำให้จิตใจเราผ่องใสก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสาขลง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยะธาเมณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนศิริสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธมมาวทาติอายุวันโอสุขังพละ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟ c e ุ o o สามร้อยหกสิบสามยูสองร้อยสิบสามวิทยุออนไลน์สิบห้าผู้รับฟังบนเขาหกสิบสามรวมหกร้อยสี่สิบสองท่านค่ะอืมสแสดงว่า น, นักศึกษามาเต็มพิกัดทุกวันถ้าหกร้อยขึ้นไปก็สดว่าเต็มพิกัดถ้าต่ำกว่าหกร้อยก็สแสดงว่าหนีเรียนนะ นานๆก็จะมีเกินพิกัดขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยสักครั้งสองครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณหกครึ่งนี่แหละหกจุดห้าขึ้นๆลงๆประมาณนั้นบวกสิบบวกลบสิบถ้าใครมีคําถามอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาก็ได้ถ้ายังไม่มีก็เอาคําถามจากทางบ้านก่อน ทางบ้านต้องส่งมาเยอะๆนะพอเดียวคำถามหมดเมื่อไหร่ก็ปิดเมื่อนั้นนะไม่รอแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะคำถามจากคุณธนากรผมทำงานเลี้ยงตัวเองกับแม่แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่อยู่พังงาผมทำงานที่ภูเก็ตทำงานได้สักพักการเงินเริ่มไม่พอจ่ายเลยติดขัดอยากกลับบ้านเริ่มใหม่แต่แล้วก็มีคนนึงมาชอบเลี้ยงดู แต่ก็ไม่ได้มามากมายอะไรอยู่ด้วยกันเหมือนแฟนกันแต่เขามีคนต่างชาติเลี้ยงเขาเหมือนกันบางวันผมดูรายการสอนอะไรหลายๆอย่างผมเลยคิดว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดแต่ผมไม่กล้าบอกเลิกกลัวเขาเสียใจเหมือนกับว่าผมลืมบุญคุณมากกว่าเลยไม่อยากทิ้งเขาแบบนี้ผมจะทำอย่างไรต่อไปดีครับอ๋อมันความผิดนี่มันร้ายกาจกว่าการลืมบุญคุณนะ การเลิกทำความผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราเนรคุณเรารู้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ถูกบุญคุณเราก็ยังสำนึกอยู่ได้มีโอกาสเราก็ยังทดแทนบุญคุณได้อย่าให้กิเลสนันมาหลอกอ้างเรื่องบุญคุณแล้วให้เราทำบาปต่อไปถ้ารู้ว่าบาปต้องเลิกทันทีเรื่องบุญคุณคนละเรื่องกันการเลิกทำบาปไม่ได้ไปล้มล้างบุญความความความความที่เรามีความกตัญญูต่อเขา อยนี้ะตอนนี้เรายัางไม่มีปัญญาที่จะทดแทนบุญคุณได้คนที่เขาช่วยแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกคาถามจากคุณยุ้ยมินิสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติใช่ไหมคะความเห็นที่ถูกต้องเรียกสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นมันมีสองแบบเห็นที่ถูกกับเห็นที่ผิดเช่นเห็นหมาเป็นแมวนี่เรียกว่าเห็นผิดเนี่ย เห็นสุรายาเมาว่าเป็นความสุขเนี่ยเห็นผิดต้องเห็นว่าสุรายาเมาเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคำถามจากคุณสิริสิริหากได้เกิดเป็นเทวดาแล้วจะเห็นดวงจิตของเทวดาด้วยกันไหมและจะเห็นดวงจิตของคนที่เป็นเป็นนรกไหม ก็ถามเทวดาดูครับกันหน่นอยรือไปเป็นเทวดาดูเดี๋ยวก็รู้เองอคําถามจากคุณจินขอบสมาธิชนิดที่เพ่งออกไปข้างนอกกับสมาธิชนิดอั ป, ปนาสมาธิมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรครับเจ้าข้างนอกใจมันก็ไม่สงบไปเีย เพ่งไปดูรูปดูหนังนิจใจมันก็ตื่นเต้นตูมตามไปกับหนังที่เราดูนะถ้าเพ่งเข้าข้างในเจอความว่างก็สงบไม่มีอะไรให้เห็นให้ดูจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขายแล้วคนที่รับซื้อนำไปฆ่าเพื่อนำเนื้อมาขายเรามีส่วนในการทำผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่เจ้าคะมีเพราะเรามีรายไดจากการเลี้ยงสัตว์นี่ ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองเราก็เหมือนกับมีส่วนร่วมเป็น เ, เดียงเขาขึ้นมาแล้วก็ขายเอาเงินแล้วก็เอาเงินที่เขามาให้เรานี้ไปได้จากการฆ่าสัตว์เพื่อเอาไปขายอีกทอดหนึ่งเราก็มีส่วนร่วมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำเองก็ตามานี้จะว่าบาปหรือไม่นมี้ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามันเป็นวิชาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะว่าบาปนี้มันต้องมีเจตนาฆ่าเอง ค่าแล้วก็ค่าเองทําเองหรือให้คนอื่นเขาทําต้องมีคําสั่งแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเราขายสัตว์ไปแล้วไม่ได้สั่งว่าให้มึงเอาไปค่านี่มันก็เรายังไม่รู้ว่าจะบาปหรือเปล่าคิดไม่คิดว่าไม่บาปเพราะเราไม่ได้สั่งไม่ได้ทําเองแต่เราได้รับประโยชน์มันก็ไม่ควรจะทําเพราะเป็นอาชีพที่เอาเอ า, เอาประโยชน์จากคนตายเอาจากสิ่งที่ตายเป็นการส่งเสริมการฆ่ากัน รรทำอาชีพอย่างอื่นดีกว่าขายผักดีกว่าขายผักขายอะไรขายเกืมอสำอางขายอะไรไปมันก็ยังไม่ไปทำให้คนตายสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ตายคำถามจากคุณนัทเวลากำหนดความรู้สึกอยู่กับลมหายใจแล้วรู้สึกโล่งสบายจนไม่อยากทำอะไรเลย พอเวลาไปทำงานรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยอยากนั่งภาวนาอย่างเดียวอย่างนี้กวนแก้ไขอย่างไรครับรู้สึกว่าอยากปฏิบัติมากกว่าทำงานครับก็ลาออกจากงานซิมีปัญหาตรงไหนเราก็เคยทำงานพอเราอยากจะภาวนาเราก็ลาออกจากงานทานสบายจะได้ภาวนาได้เต็มที่เลยจะสมใจอยาก มีแสดงว่าอยากไม่จริงอะถ้าอยากจริงมันลาออกจากงานไปนานแล้วไม่ต้องมาถามไห้เสียเวลาหมดแล้ ว, ลวเลย <c oughs> หมดเลย <laughs> อย่าเพิ่งเลิ่ไงรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเพิ่งเลิกอ่ะ <c oughs> ไม่อยากะ้ห้ปิดร้านเน <c oughs> ี่ยรอก็ร อ, อ ม, มาแล้วค่ะ <c oughs> คุณวิชัย สติที่พระอาจารย์สอนให้ทาตลอดเวลาเช่นภาวนาพุโทโธเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำทุกๆวันและตลอดเวลาใช่ไหมคะถ้าเราต้องการความสงบถ้าเราต้องการให้ความสุขวิ่งมาหาเราเราต้องหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วความสุขมันจะวิ่งมาหาเราเองถ้าเราไม่หยุดความคิดหยุดความอยากเราก็วิ่งไปหามันวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันมัน ในเจ้าแบบไหนดีให้มันวิ่งมาหาเราเราจะวิ่งไปหามันดี <laughs> คำถามจะคุณจินขอบอีกข้อหนึ่งค่ะความอยากยังมีมากครับต้องทำอย่างไรความอยากจะหมดเร็วครับหยุดคิดบ่อยๆใช่ไหมครับ เ, เพราะยังขี้เกียจหยุดคิดอยากอยากขี้เกียจพุโทโธเพราะสติเราบอกให้มันหยุดถ้ามันไม่หยุดเราก็ต้องใช้พุโทโธ บอกให้บอกมันหยุดก็ไม่ต้องใช้ถ้ามันไม่หยุดก็พุโทโธพุโทโธเพราะความอยากบางตัวมันดือ้อบางตัวมันมันไม่ไม่ดือ้อบางตัวเราบอกหยุดมันก็หยุดบางตัวบอกมันหยุดมันไม่ยอมหยุดเราก็ต้องใช้พุโทโธคำถามจากคุณจตุรนเมื่อภาวนาพุโทโธแล้วจิตแน่วแน่อยู่กับพุโทโธเมื่อจิตสงบจะไม่มีความรู้เพียงแต่อิ่มอยู่เฉยเฉใช่ไหมครับ ก็มีความรู้ว่าอิ่มไงความรู้มีอยู่แต่สิ่งที่ให้รู้ไม่มีเช่นอาการต่างๆเลยไม่มีมีแต่ความว่างแต่ตัวผู้รู้นี้ผู้รู้นี้ไม่หายไปนะถ้าผู้รู้หายมันก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เช่นเวลานอนหลับนี่เหมือนกับผู้รู้หายไปไม่มีสติก็เหมือนกับผู้รู้ไม่ไม่มารับรู้อะไรอืตอนนอนหลับก็เลยไม่รู้อะไร รู้ว่ารู้ก็จองช่วงที่ฝันถ้ามีสติแล้วก็อาจจะรู้ว่ากำลังฝันอยู่คําถามจากคุณวิกกี้ดีกราบเรียนถามพระอาจารย์การเจริญปัญญาโดยพิจารณากระดูกของคนอื่นกับการพิจารณากระดูกตัวเองจะให้ผลเหมือนกันไหมครับแบบไหนจะดีกว่ากันครับหรือควรทำควบคู่กันไปมัาต้องทำทั้งสองอย่างเพราะ ข, ของเราของเขาก็เหมือนกัน เพราะว่าเราต้องการที่จะปล่อยวางร่างกายให้รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามเหมือนที่ให้พิจานานางงามจักรวาลเนี่ยให้พิจารณากระดูกของนางงามจักรวาลจะได้ตัดสินว่าตกต ก, ตกรอบทุกคนไม่มีรอบสุดท้ายตกตั้งแต่รอบแรกพอพิจารณาเห็นโครงกระดูกของนางงามทุกคนก็กลับบ้านเถิะไม่มีรางวัลให้แจกปีนี้ถ้าลองนิมนต์พระอริยไปเป็น กรรมการตัดสินดูเคำถามจากคุณอภิธานมรณานุสติคือการปฏิบัติสมสมถฐภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาครับกร น, นี้ได้ทั้งสองอย่างใ้ท้งในท้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเพราะมรณานุสความตายมันเป็นอ น, นิจจังเป็นตายลักแล้วก็เป็นอารมณ์ของความสงบด้วยก็เลยได้ทั้งสองอย่าง อารมณ์บางอย่างนี้ได้อย่างเดียวเช่นพุโทโธนี้ได้อย่างเดียวทําใจให้สงบอย่างเดียวแต่ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาคําถามจากคุณศิวยากราบราชาค่ะต้องทําความสงบถึงระดับไหนคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะไปเจริญปัญญาได้ค่ะทําไปมันรู้เองไหมเหมือนกินข้าวเนะี่ะทําไปถึงเวลาจะนอนมันก็หยุดกินเองอะ่ะ พอมันอิ่มเต็มที่มันกินไม่ลงมันก็ไปนอนต่อนะอันนี้ก็เหมือนกันพอสมาธิเราเต็มที่มันก็ไปทางปัญญาแต่ต้องสั่งมันไปนะถ้าไม่สั่งมันจะติดอยู่ที่สมาธิมันเพราะสมาธิมันสบายมันเลยไม่อยากไปทำงานออกจากปัญญามานี่อย่าให้มันติดอยู่ในสมาธิอย่าทำแต่สมาธิอย่างเดียวพอเราชานาญทางสมาธิแล้วเราต้องบังคับให้มันไปทางปัญญา ต้้องงมีกนั น, ก น, น, น, นคำถามจากคุณชานชัยกราบนมัสการครับไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่กำหนดอิรยาบดย่อยบ่อยๆจะทำให้เกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดละการกำหนดเป็นการเจริญสตินะกำหนดว่าตอนนี้จิตตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เพื่อควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนะ อันนี้เรียกว่าการเจริญสติสติกายะนุสตาสติปัฐานแต่ถ้าปัญญาร่างกายว่าเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บเดี๋ยวมันต้องตายมันถึงจะเป็นปัญญาคำถามจากคุณวิชัย ความอยากทุกๆอย่างเป็นกิเลส ท, ทั้งหมดใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกอยากสามอย่างนี้นะกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาอยากทําบุญที่เป็นธรรมไม่เป็นกิเลสอยากนั่งสมาธิไม่เป็นกิเลสอยากรักษาศีลไม่เป็นกิเลสเนี่ยคำถามจากคุณการมีคํากล่าวว่านั่งสมาธิแม้นสงบเพียงแค่ช้างกรดิกหูงูแลบลิ้นจะได้บุญมากจริงไหมครับ ก็ลองทําดูสิลองทําดูแล้วจะรู้เองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นส่งคำถามเข้ามาข้างหลังถามก่อนเลยค่ะเวลานอนรู้สึกจิตไม่สงบทํายังไงเจ้าคะพุโทโธพุโทโธไปเหีือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าคิดที่นอนไม่หลับเพราะคิดมาก คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้อยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้จิตนอนไม่หลับก็ต้องหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธไม่ไม่ไหวก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์อิติปิโสไปหลายๆจบนรือท่าดูลมหายใจได้ก็บังคับให้มันดูลมไปอย่าให้มันคิดนะเดี๋ยวไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็ครอกครอก คำถามจากคุณสรชัยเวลานอนหลับไม่ฝันเห็นอะไรเลยคืออาการอะไรครับก็จิตบางทีมันก็พักบ้างสิมันทำงานมันก็เหนื่อยหรืออาจจะว่าจิตมีสมาธิก็ได้มันเป็นได้สองอย่างจิตที่มีสมาธิจิตที่สงบมักจะไม่ค่อยฝันแต่จิตที่ฝันบ้างไม่ฝังบ้างอันนี้ก็เป็นเพราะบางทีจิตมันเหนื่อยมันก็ไม่มันก็ไม่ฝันก็มีบางทีมันก็ฝันก็มี อย่าไปสนใจมันมากเลยให้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็แล้วกันเรื่องนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ต้องไปควบคุมที่เหตุถ้าไม่อยากจะฝันก็พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆถ้าอยากให้ฝันดีก็ทำบุญเยอะๆถ้าอยากให้ฝันร้ายก็ทำบาปเยอะๆคำถามจากคุณสุดาพร การที่ลูกไม่ค่อยเข้าใจในความหมายของคำพระยกตัวอย่างว่าสังขารหมายถึงอะไรแต่ลูกมาฝึกจิตให้ว่างอยู่ตลอดจะได้ไหมเจ้าคะได้นั่นสังขารความเข้าใจนี้เป็นเรื่องของปัญญาอย่างอีกระดับหนึ่งระดับแรกนี่มาทำจิตให้ว่างให้สงบก่อนเมื่อจิตว่างสงบแล้วคาไหนไม่เข้าใจก็ไปถามคนที่เขารู้ ไม่ยากหรอกเรียนรู้เป็นเรื่องภาษาท่านเองเราจะได้รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเวลาที่เขาพูดคำว่าสังขารสังขารมันก็มีหลายความหมายสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งก็ได้สังขารร่างกายก็ได้มันมีหลายความหมายด้วยกันเห็นแต่ละครั้งที่เขาพูดบางทีมันก็จะรู้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรบางทีสังขารร่างกายก็รู้ว่าพูดถึงเรื่องร่างกายบางทีก็สังขารความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่แน่ใจก็ลองมาวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ไม่ได้ก็ลองไปถามคนพูดดูว่าคุณหมายถึงอะไรคำถามจากคุณกริติกากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะความโลภโกรธหลงนั้นอยู่ทางโลกทำไมเราถึงต้องเข้าวัดเข้าป่า หาที่สงบในการจะช่วยกำจัดออกคะในเมื่อเราออกจากวัดหรือที่สงบเราก็ต้องมาเจอความโลภโกรธหลงหาทางเอาชนะไม่ได้เลยไม่หรอกความโลภโกรธหลงมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเราต้องไปกำจัดความโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจเราความโลภโกรธหลงของคนอื่นไม่เป็นปัญหากับเราที่ตัวที่เป็นปัญหาคือความโลภโกรธหลงของเราถ้าเราอยู่ใกล้มันจะ ใกล้กับคนที่มีความโลภ ก, กดหลงมันจะกระตุ้นความโลภ ก, กดหลงของพวกเราเองให้มันโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราจะไม่มีกำลังสู้มันเห็นเราต้องไปอยู่ที่ไม่มีอะไรมากระตุน้นมันจะได้ไม่มีกำลังมากแล้วเราจะได้กำจัดมันได้ง่ายพอเรากำจัดนันหมดแล้วเราจะไปอยู่กับคนโลภ ก, กดหลงยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้เราโลภ ก, กดหลงตามคำถามจากคุณพันธิภา กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตด้วยรรวมะเร็งในช่วงที่ป่วยไม่ได้บอกคุณแม่เพราะกลัวว่าจะเสียกำลังใจและอาจจะทำให้อาการซุดลูกจะบาปไหมคะในช่วงที่คุณแม่ป่วยอยู่ใน i อ u คุณแม่บ่นหิวน้าและไม่สามารถกินน้าได้เพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปากและหลังจากเสียชีวิต พนักงานที่ลาออกไปนานแล้วฝันว่าคุณแม่หิวน้ำลูกได้ทำบุญถวายน้ำดื่มให้พระสงฆ์ลูกทำถูกแล้วใช่ไหมคะและจะถึงคุณแม่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่อยู่ในฐานะไหนถ้าคุณแม่ไปเป็นเทวดาก็ไม่ท่านก็ไม่ต้องรอรับบุญที่เราส่งไปถ้าท่านเป็นเปรตท่านเป็นขอทานท่านก็จะรอรับอยู่เห็นแล้วแต่สถานภาพของคุณแม่ คำถามจะกคุณจินขอบแผ่เมตตาบุทิบุญถ้าเข้าอปปนาสมาธิแล้วออกมาแผ่เมตตาให้เขาเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมหรอกแผ่เมตตาต้งตอนที่เจอเขาสิไม่แผ่ตอนที่รับหลังข้างหลังเขาเขาไม่รู้เรื่องว่าเราแผ่ให้เขาเจอต่อนหน้าเขาเอาขนมให้เขากินนั่นแหละแผ่เมตตาอเอาเงินให้เขาใช้เนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ใช่มานั่งแผ่เมตตาด้วยการคิดเฉยๆการคิดเฉยๆไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทำผู้ที่รับการแผ่เมตตาจะต้องรู้และได้รับความเมตตาของเราจะไปนั่งแผ่เมตตาคนเดียวไม่รู้ไปแผ่ให้ใครจักคุณวิชัยค่ะ การเรียนพระอภิธรรมมีความจําเป็นไหมเจ้าค้าสําหรับบุคคลทั่วไปอภิธรรมหรือธรรมมันก็เหมือนกันนะมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นเป็นวิชาธรรมะเหมือนกันแล้วแต่เราเราชอบวิชาอภิธรรมก็เรียนอภิธรรมไปเราชอบธรรมะแบบทั่วไปเราก็เรียนแบบทั่วไปอันนี้มันก็ไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ว่าอภิธรรมนี่จะเน้นไปที่ทางวิชาการเป็นหลัก คือจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวข้อ ง, ต ง, ต ง, ตงแต่ถ้าธรรมะทั่วไปบางทีเราจะมีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของภาษาวกมาสอดแทรกว่าทำเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ใครเป็นผู้แสดงใครเป็นผู้เป็นเหตุให้ทําให้การแสดงธรรมอันนี้เกิดขึ้นมาเอมีที่มาที่ไป แต่ถ้าเรียนอภิธรรมนี่ก็เพียงแต่เรียนธรรมะล้วนๆมักแปดก็มักแปดล้วนๆไ ม, ม่ไม่มีที่มาที่ไปว่าสแสดงให้ใครฟังที่ไหนเมื่อไหร่อริยาาศาสตร์มันก็เป็นธรรมเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามันแบ่งเป็นสองรสชาติรสชาติแบบมีเหตุการณ์เราก็เรียกว่าพระสูตรต่างๆธรรมะอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะอันหนึ่งทำเป็นพระสูตร ส่วนอภิธรรมนี่เขาจะตัดไอ้พวกเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วเอาแต่ตัวเนื้อธรรมะล้วนๆมามามาแสดงความจริงไม่ได้แสดงรรู้สึกว่าจะเอามาเอพื่อเอามาแสดงก็ได้แต่ไม่รู้แสดงหรือเปล่าบางทีเข้ามารวบรวมก็ได้รวบรวมเพื่อจะได้ไม่ไม่ต้องเสียเวลามาคอยมาอ่านเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมบทนั้นมันก็เป็นธรรมันเดียวกัน มันก็เรียนเหมือนกันเรียนมังแปดอริยสัจสี่เรียนไตรักเหมือนกันเรียนธาตุสีเหมือนกันมันไม่มีต่างกันตรงไหนอย่าอย่าไปหลงว่าเราเรียนอรพิธรรมแล้วเราเราเราเราเด่นเราเลิศนะคนที่ไม่เรียนอรพิธรรมแสดงว่าโง่อย่างนี้ ไ, ไม่ใช่หรอกรคำถามจ้าคุณสมหมายกราบนมัสการขอถามใส่บาทตอนเช้าไม่ได้กรวดน้ําเพียงแต่พูดอุทิศ พูดอุทิศบุญญาติญาตจะได้รับส่วนบุญไหมคะได้ถ้าเ้ารออยู่ถ้าเาออ้ า, เาไม่รอรับก็ไม่ได้แต่บุญเราส่งไปแล้วเนี่ยอยู่ที่คนรับถ้าเราอุทิศด้วยการกล่าวด้วยวาจาในใจเหล่านี้ก็ถือว่าเราอุทิศแล้วแต่ถ้าเราใส่บาทเสร็จแล้วเราไม่กล่าวไม่ระลึกถึงก็ยังไม่ได้ส่งไปเหมือนเขียนเขียนเขียนตอบลายแล้วไม่ได้กดส่งมันก็ยังอยู่ใน อยู่ในหน้าของเราอยู่มันยังไม่ไปบางทีลืมเขียนเสร็จแต่ไม่ได้กดส่งมันก็ยังไปไม่ถึงเขาต้องกดส่งมันถึงจะไปคำถามหมดแล้วค่ะออพระอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกัหมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเผื่ อ, อยังมีใครกำลังพิมพ์อยู่ถ้าเราพิจารณากระดูกเนี่ยจ้ค่ะ ไม่แล้วก็ดูในร่างกายแล้วเนี่ยคือเรามองไปเลยแล้วเราก็เป็นแบบนึกภาพขึ้นมาเลยว่าอย่างสมมติอณโตมีของแล้วหรือว่าอาจจะสมมติอณโตมีเราดูร่างกายอวัยวะต่างๆแล้วทีนี้เราก็ไปดูโครงสร้างที่เป็นกระดูกเราก็นึกขึ้นมาเลยว่าอ่ะโอเคร่างกายเราอย่างนี้แล้วมีกระดูกกี่ชิ้นกี่ชิ้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมจ๊ะก็ดูให้เหมืนความจริงมันมันเป็นยังไงกให้ดูมันเป็นอย่างไง มันจะได้ไม่หลงว่ามันมันร่างกายนี้สวยงามไม่จะได้ไม่ต้องไปส่งมันไปประกวดนางงามจต่กลวันนะแค่นั้นเองให้มันเห็นว่ามัน่นั้นเองใช่ไหมคะมันว่ามันเพราะเห็นแฟนมีโครงกระดูกก็ไม่อยากจะได้ก็มาเป็นแฟนนะโยมโยมเคยอ่านเคยฟังของหลวงพ่อพุธเนี่ยจ้าว่าที่บอกว่าถ้าจะดูกระดูกเนี่ยให้แยกออกมาเลยเป็นชั้นๆเน่ะคือเหมือนกับฉีกเนื้อฉีเอาลงไปถึงกระดูกอ่ะมันต้องแบบนั้นเหรอจ้าว ก็แล้วแต่ถ้าเป็นซาดิสอยากจะอยากจะผามันอยากจะเลที่ทำไม่เป็นที่ว่าจะสับมันอยากจะเอามาสับเลยเป็นหมูบาช่อก็ได้ก็ได้ใช่มเยอารู้ว่านั่งกายต่อไปมันก็จะต้อง เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือสรุปให้ให้มันเห็นซากศพสิทธิชนิดนี้ก็อนาคตของร่างกายที่สวยงามมานี้ไปเขาจะอาจจะเป็นถูกเขาฆาตกรรมก็ได้ตัดแขนตัดขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าตายไปไม่มีใครมาทําศพอยู่ข้างถนนเดี๋ยวหมาแร้งกาก็มากัดกินก็ได้เจ้าค่ะก็ให้นึกถึงสภาพต่างๆของที่ร่างกายอาจจะต้องเป็นไปก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่เป็นหลงไหล ข้างใครกับมันโอ้ยว่าสวยว่างานว่าอรอเจ้าค่ะสา ม, มารถที่จะปล่อยมันได้เออแบบปล่อยวางทั้งของเราทั้งของเขาเจ้าค่ะจะดูแบบไหนก็ได้แล้วแต่ขอให้มันเห็นความจริงของร่างกาย <c oughs> ตอนนี้เราเห็นเพียงนิดเดียวของร่างกายส่วนนิดเดียว เห็นแต่ส่วนที่น่ารักน่าสงวนน่าหวงน่าห่วงพอไปเห็นส่วนที่มันไม่น่าหวงน่าห่วงมันก็จะได้เลือกหววงนะเออเองโยมเคย อ, อยู่ห้องผ่าตัดมามันเห็นแล้วมันก็เลยรู้สว่ามันก็เฉยเออพ่อไม่เอามาคิดบ่อยๆเออเอามาคิดแบบอยๆเฉพาะเวลาจะไปนอนกับแฟนเนี่ยออตอนนั้นมองไม่เห็นนะไม่คิดแล้วตอนนั้นมีคําถามเข้ามาล้วค่ะ คำถามจากคุณฟูการทำบุญบริจาคแบบช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลแล้วอันนี้ส่งผลบุญจะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นหรือหายเจ็บป่วยมีส่วนจริงไหมครับไม่จริงหรอกยังก็้นไม่ต้องไปหาหมอไปรักษาพยาบาลนะั้นเสียเวลาคอยทำบุญอยู่เรื่อยๆ ไม่ดอกมันก็เป็นการเจียสละเงินทองท่านอนาคตคืออาจเราเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีคนมาดูแลเราอันนี้อาจจะเป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดตามมาต่อไปเคยช่วยเหลือใครแบบไหนก็จะได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นกลับมาเคยทำร้ายเขาแบบไหนก็จะต้องถูกเขาทำร้ายแบบนั้นกลับมาคำถามเจ้าคุณจินขอบอยากทราบได้ จะทราบได้อย่างไรเมื่อความอยากขาดไปจากใจแล้วครับเอทำไมจะไม่รู้เวลาอยากไปเที่ยวกับไม่อยากไปเที่ยวเวลาเพื่อนมาชวนไม่อยากไปเที่ยวก็ปฏิเสธเข้าไปใช่ไหมั่าไม่อยากไปมันรู้อยู่แล้วมันแกล้งถามใช่ไหมอยู่ก็มันมาทุกวันเวลาอยากกินกเวลาไม่อยากกินทำไมจะไม่รู้ใช่ไหอก็แบบเดียวกันคําถามจากคุณจันจิรา กราบสอบถามพระอาจารย์มีความสนใจไปปฏิบัติธรร ม, อมขอโทษคะ่ะข้อถามว่าจะามีที่พักให้หรือเปล่าห้ามนะคะ <laughs> จะคุณจิตส่งออกนอกเป็นกิเลสตัวกิเลสตัวอวิชชาเป็นดวงจิตไหมครับและตัวกิเลสไม่ได้รับผลบาปที่กระทําด้วยหรอครับผู้ที่รับผลบาปก็คือผู้กระทําผู้กระทําก็คือใจ เลเป็นเพียงแต่ผู้เสี้ยมสอนผู้สั่งให้ไปทําผู้หลอกให้ไปทนะํานั้นแต่ผู้กระทาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปรับผลเช่นใครมาหลอกให้เราไปขโมยเงนินคนมาหลอกให้เราไปขโมยเขาไม่ถูกจับหรอกคนที่ไปขโมยเงินนั่นแหละเป็นคนผิดจะต้องเป็นคนที่ถูกลงโทษนะคำถามจากคุณภาคิน การที่ครูบาอาจารย์บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้รู้แล้วก็ไม่ต้องมาแบกไว้ความหมายกว้างๆนี้มันยังไงครับคือคนที่รู้จริงเขาไม่เ อ, เอาเอาธรรมะมาแบกเกินไม่เอามาสอนคนนั้นสอนคนนี้อยากจะสอนคนนั้นสอนคนนี้เรียวกว่าแบกธรรมะคนที่ดูแล้วเขาไม่อยากจะสอนใครหรอกที่เขาสอนเข า, เขาถูกบังคับให้สอนอย่างนี้ต้องมาสอนทุกวันเนี่ย ก็ญาติโยมมาบังคับให้สอนเองถ้าไม่มาก็ไม่ต้องสอนเราแต่เราจะไม่ไปหาญาติโยมที่บ้านนะโยมโ ย, ยมมาฟังเทศฟังธรรมนะนี่ไม่มีแบกธรร ม, มากเป็นอย่างี้เดี๋ยวไปเคาะประตูบ้านเรียกญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมกันเนานี่ไม่มีเขาอยากจะฟังให้เขามาหาเราเราก็มีอะไรก็สอนเขาไปถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องไปหาเขา คำถามห ม, หมดแล้วค่ะดีเ <c oughs> พราเนี่ยเราไม่อยากจะสอนเนี่ยพอหมดหมดแล้วดีเลย <c oughs> ถ้าคนอยากอยากจะสอนนี่คเดี๋ยวต้องรอก่อนเดี๋ยวรอให้มันเข้ามาก่อนอแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ